พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชาพิธีสำคัญยิ่งของคนไทยศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลทัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 592-1991 วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอ8 9 5แเมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานาน า, นาสาระดาเนินรายการโดยอาจารย์โสพลสาธรสำริดผล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 สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระกับผมโสพลสาธรสรัมฤทธิ์ผลเป็นประจำอย่างนี้นะครับวันนี้พูดนี่เดี๋ยวฟังแล้วอย่าเพิ่งงงไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเกริ่นนาไว้ก่อนว่าเรื่องที่พูดนี่เออจากเรื่องหนึ่งกับโยงไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันไปโยงกันได้อย่างไรค่อยๆฟังไปแล้วกันอาจจะออกเป็นแนวจิตวิทยานิดๆออกเป็นเรื่องของโรค หรืออาการทางจิตหน่อยๆขออนุญาตเริ่มต้นที่ <c oughs> การตั้งข้อคําถามตั้งกระทูขึ้นมาได้แอบหยิบยกมาจากพันทิพย์เจ้าเก่าอีกแล้วมีคนตั้งกระทูแล้วก็บอกว่าวัยรุ่นที่ใช้ของแบรนด์เนมแพงๆนี่เขามีปมด้อยต้องการให้ตัวเองดูดีและได้รับการยอมรับใช่ไหมครับ หรือแค่อยากอวดว่าบ้านรวยนี่คือเขาโพสขึ้นมาอย่างนี้ว่ากระทูของเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ขยายความกันไป <c oughs> ในนี้บอกว่าเคยได้ยินจากจิตแพทย์ว่ากระแสะการลาคลั่งไคล้สินค้าแบรนด์เนมของวัยรุ่นนั้นเกิดจากสองส่วนส่วนแรกอันนี้ชี้เฉพาะวัยรุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่าคนทั่วไปส่วนแรกเป็นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยไปยึดติดกับรูปแบบหรือสิ่งที่ สร้างให้ตัวเองดูดีมีฐานะเป็นที่ยอมรับสําหรับกลุ่มเพื่อนนั่นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยรุ่นกับเพื่อนนั้นเนี่ยแยกกันไม่ออกบางทีมีอะไรก็ไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปกครองหรอกแต่จะไปปรึกษากับเพื่อนอันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือส่วนที่2นั้น อ, อ, อาจจะเป็นไปได้ว่าการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างกดดันของกลุ่มวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชีวิตกดดันมีสิ่งของแบรนด์เนมเข้ามามันก็จะช่วยสร้างอารมณ์ความสุขความชื่นชอบให้แก่วัยรุ่นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ พ, พูดง่ายๆว่าเป็นความสุขเล็กๆของวัยรุ่นที่ได้หลุดออกมาจากสิ่งที่ไม่มีความสุขเพราะว่าอย่างที่พูดแล้วชีวิตค่อนข้างจะ กดดันจากสังคมรอบข้างมีปัญหารุมเรา้าเช่นปัญหาเศรษฐกิจทางบ้านปัญหาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศภาพรวมของโลกปัญหาเรื่องของออความรักปัญหาเรื่องการเรียนการทํางานอะไรเงี้ยต่างก็ทําให้เป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะกดดนันเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้หลุดออกมาจากสิ่งซึ่งไม่สร้างความสุขเนี่ยด้วยการใช้วัตถุ ด้วยการใช้สิ่งของเป็นตัวเสริมให้ตัวเองดูดีแล้วก็สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มเพื่อนอาจจะเป็นไปได้วะนี่คือในมุมมองของจิตแพทย์นอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณหมอก็ยังกล่าวว่าสื่อในรูปแบบต่างๆกลุ่มเพื่อนด้วยแหละเป็นหนึ่งปัจจัยและค่อนข้างจะสำคัญที่ก่อให้เกิดกระแสกัน คลั่งไคลสินค้าแบรนด์เนมได้เช่นกันและส่งผลต่อวัยรุ่นได้เท่าเทกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อต่างๆที่เป็นตัวสร้างภาพผ่านการโฆษณาแฝงเพื่อให้ตัวเอกหรือตัวนำในภาพยนต์โฆษณา น, นำสิ่งของอุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์มาโชว์ก็เราก็จะเห็นว่าเวลาเราดูหนังดูละครอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปนั่งในร้านกาแฟหรูๆกับมีแบรนด์ สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองอะไรก็ว่ากันไปมองก็อ๋อมันก็เป็นโฆษณาแอบแฝงหรือไม่ก็ตัวละครลูกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายถือกระป๋องกระเป๋าอะไรที่เป็นตราสินค้าที่มันราคาแพงไอ้พวกนี้แหละมันกระตุ้นมันกระตุ้นวัยรุ่นให้คลั่งคล้ายสินค้าแบรนด์เนมในภาพยนตร์เขาออกมาโชว์เพื่อสร้างความเป็นผู้นําแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสินค้านั้นดังนั้นจึงเกิด พฤติกรรมที่เลียนแบบสําหรับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนถือได้ว่ามีอิทธิพลมากสําหรับการสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่เลียนกันไปเลียนกันมาการที่คุณหมอได้พูดกันว่าเรื่องราวของคนวัยรุ่นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากสําหรับการคลั่งไคล้สินค้าแบรนด์เนมคนที่ตั้งกระทุเขาจึงงงว่าจาก คำอธิบายของคุณหมอโดยเฉพาะยิ่งจิตแพทย์ในบอกอย่างนี้เนี่ยสรุปได้ไหมว่าวัยรุ่นที่ใช้ของแบรนด์เ네นมแพงๆนะั้นและจริงๆคือเป็นพวกที่มีปมด้อยถ้าดูตามคำอธิบายที่คุณหมอได้วิเคราะห์ในแง่ของจิตวิทยาเมื่อมีปมด้อยจึงต้องการจะยกระดับให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นและก็ได้รับการยอมรับในหมู่เพื่อนฝูงซึ่งก็ คงจะมีป่มด้อยในเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้คือเขาตั้งขึ้นมามีคนแสดงความไม่เห็นในเรื่องนี้นี่หลายหลายกระแสมากขออนุญาตยกมาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของของจิตวิทยาคนหนึ่งนี่แสดงภูมิรู้ว่าคุณเคยได้ยินเรื่องลำดับขั้นความต้องการของมัสโลไหมล่ะก็นั่นแหละ ความต้องการของมัสโลอันนี้คือถ้าใครเรียนมาก็ไม่ว่าท่านจะเรียนสายบริหารธุรกิจหรือจะเรียนทางด้านสายครูหรือเรียนทางด้านจิตวิทยาก็จะต้องได้ยินชื่อของอับราฮัมมัสโลด้วยกันทั้งสิ้นบ่เขามีลำดับขั้นที่เป็นลำดับความต้องการของมนุษย์เราเนี่ยหขั้นมันจะกระเถิบกระเถิบกระเถิบขึ้นไปเก้าขึ้นไปเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นไอ้ ขั้นที่มันสูงสุดเนี่ยคือขั้นการได้รับการยอมรับบางคนใช้ของแบรนด์เนมอาจจะเพราะเหตุนี้ต้องการการยอมรับจากสังคมรอบข้างอาจเป็นได้ทั้งการเข้าไปเรียนพิเศษที่เดียวกับเพื่อนกินข้าวเหมือนเพื่อนใช้ของใช้เหมือนเพื่อนดูหนังเรื่องเดียวกับเพื่อนซึ่งไม่ช ไม่จำเป็นว่าต้องจำกัดเฉพาะของแบรนด์เนมเท่านั้นการที่วัยรุ่นอยากให้เพื่อนยอมรับตัวเองก็เลยต้องเหมือนกับหมุนไปตามลมปากประมาณอย่างนั้นแล้วก็จะสังเกตว่าถ้าเผื่อว่าเขาไปอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมาโพสในโซเชียลเขาจะต้องอยู่ในไอจงไออะไรของเขาเพื่อแสดงว่าฉันไม่ได้ตกเทรนด์นะ ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นไม่ทำได้ไหมคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีเรื่องโซเชียลจะมาโชว์อะไรไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งก็อาจจะมาคุยคุยกันแต่นี่ดูหนังก็ต้องถ่ายรูปให้ดูถ่ายว่ า, าซื้อตั๋วหนังอย่างนั้นอย่างนี้ไปกินข้าวร้านห ร, หรูหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการจะดูว่าเขามีปมด้อยแค่เรื่องของแบรนด์เนมอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นหรอกเพราะแบรนด์เนม มันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งขณะที่บางบ้านนี่การใช้ของแบรนด์เนมเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องปกติบางคนที่บ้านให้ใช้ของแบรนด์เนมเพราะว่าของแบรนด์เนมบางยี่ห้อบางชิ้นราคามันไม่ตกมันขายได้มันเป็นธุรกิจเช่นกระเป๋ายี่ห้อดังๆซึ่ง ก็ไม่สามารถออออากาศได้พูดไปเอ่ยชื่อมาหลายท่านก็คงจะรู้จักซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ประเมินคนที่ถือกระเป๋าหิ้วกระเป๋านั้นว่าเป็นผู้ที่มีกระตังหรือนาฬิกาของผู้ชายเรือนละเป็นแสนเป็นล้านอันนี้เอ่อเป็นเรื่องของของแบรนด์เนมแต่จะให้เราเห็นด้วยหรือเราจะไม่เห็นด้วยเราก็คงต้องใช้วิจารณญาณละ เหมือนกับที่หญิงสาวคนหนึ่งม า, มาแสดงความเห็นของนุญาติเรียกว่ามาเมนมาเม้นคือมาคอมเมนต์เนี่ยนะบอกว่าทําไมเหรอคนที่ใช้แบรนด์เนมต้องมีปมด้วยเหรอคะใช้แบรนด์เนมมีปมด้อยด้วยเหรอคะใช้อะไรเป็นตัววัดนี่เขาก็ตั้งประเด็นของเขาขึ้นมาของแบรนด์เนมชั้นประบางคนเขาก็ไม่ได้ถือว่ามันแพงก็มีกําลังซื้อได้ ใครจะซื้ออะไรมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลฐานะของแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นนางสาวกอที่บ้านมีเงินในบัญชีหลายสิบล้านมีอสังหาริมทรัพย์มากมายกระเป๋าใบหนึ่งราคาสักห้า0มื่นบาทเขาก็ย่อมต้องซื้อได้นะไม่ถือว่าแพงต้องจัดว่ามันธรรมดามากสำหรับคนมีเงินหลายสิบล้านขนาดนั้นและที่สำคัญคือเมื่อมองในแง่ของ ของเศรษฐศาสตร์มันทนหนึ่งใบใช้ได้นานไม่ต้องไปซื้อทีละหลายใบหลายใบต่อเนื่องและบางอย่างบางยี่ห้อมันขายได้มันขายต่อได้เป็นสินค้ามือสองราคาก็ไม่ตกไปกว่ากันสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบนางสาวกอซึ่งเป็นผู้ที่มีกระต่างมากซื้อกระเป๋า5 0า0 0บาทเปรียบกับนางสาวขอ ที่บ้านมีเงินในบัญชี 1,000 0บาทบ้านก็ยังเช่าอยู่ตลาดที่กระเป๋าที่ตลาดนัดราคา 1,000 บาทสำหรับนางสาวขอจะเรียกว่าแพงก็ยังได้นะนี่นี่คือมุมมองว่ามันจะมาตัดสินกันว่าคนที่เขาถือของแบรนด์เนมแล้วมันสะท้อนใ้เห็นเรื่องของการที่มีปมมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มั้ง เพราะถ้าเกิดว่าเดินผ่านสองคนพร้อมกันแล้วไปตัดสินนางสาวกอว่าขี้อวดมีปมด้อยนางสาวขอใช้เงินสมเหตุสมผลนี่ถูกต้องมันก็ไม่น่าจะตัดสินได้เพราะว่า 1,000 พบาทของราคากระเป๋าทั้งที่ตัวมีเงินในบัญชี 1,000 0บาทขนาดที่คนเขาซื้อกระเป๋า5 0 0หมื่นแต่ก็มีเงินอยู่หลายสิบล้านเนี่ยมันก็ ไม่น่าจะมาตัดสินกันว่ามีปมหรือไม่มีปม อ, อันนี้เราพูดกันเกร่นนำในช่วงแรกว่าด้วยเรื่องการใช้ของแบรนด์เนมว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับปมด้อยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยโยงไปเรื่องอื่นพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับ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 เพราะว่าเป็นเธอเพราะว่าเธอเคยลมหายใจเพราะว่าทุกอย่างที่เคเข้าใจต่างไม่มีความหมาเมืม่อไม่มีเธอเพราะมันคือพรุ่คิดเพราะเวทมนตร์ด่านชักพาให้สองรนได้มาพบและสบตารักกันทันใด อยากจะบอกว่ารักหมดใจเธอรู้ไหมว่าฉันตามหาเรยมาตลอดชีวิตจนเหนื่อใจแต่สุดท้ายปลายทางของฉันมีเธอจะฝากชีวิตเพราะว่าเป็นเธอเพราะเธอคนเดียวรักฉันคือเธอ และฉันรักเธอทิ้งใจที่มีรักทุกวินาทีจะนานนานเป็นปีจะรักเธออย่างนี้ไม่มีวันเลียนเพราะเธอคือฝันเป็นจริงและเธอคือความจริงของใจต้องทุ่มเทเท่าไรฉันพร้อมเต็มใจฉันทำเพื่อเธออยากจะบอกว่าร มใจเธอรู้ไหมว่าฉันตามหาด้วยมาตลอดชีวิตจนได้ใจแต่สุดท้ายปลายทางของฉันนีเธอจะฝากชีวิตเพราะว่าเป็นเธอเพราะเธอคนเดียวจากที่ไม่ว่าจะแม้จะ เ, น, น, เนื่อยยาก ปวดใจทนทุกทนจงรู้ว่ามีฉัน อ, อยู่ตรงนี้เพื่อเธอไม่หายใจอาจแต่งไม่ด้วยความน้ำใจยินดีทำเพื่อเธอรู้บหเพราะว่าเป็นเธอเพราะว่าเป็นเธอเพราะว่า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 ขออนุญาตโยงไปถึงข่าวเมื่อสักสองสามเดือนไม่แน่ใจว่าจะนานขนาดนั้นหรือเปล่าคือเรื่องของออดารานักร้องเกิดบังเอิญมีคนไปจ้องแล้วก็ไปซูมเข้าซูมออกดูดูรูปที่เขาใช้กระเป๋าแบรนด์รงแบรนเนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พบว่าอ้าวก็เห็นใช้แบรนเนมปลอมนี่อันนี้นี่ในมุมมองของของ คุณหมอเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันว่าผู้ที่ใช้ของแบรนด์เนมอันนี้คือหมายถึงของจริงของจริงของแท้แท้เลยขนาดที่มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นโรคติดหรูเสพติดแบรนด์แต่บังเอิญว่าทุกวันนี้นี่นิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมซึ่งเออมันก็ไม่แบรนด์เนมแท้ทำให้หลายคนเนี่ย อยากจะได้แหละไอ้ของแบรนด์เนมแท้แต่ว่าก็กำลังซับไม่พอจึงไปใช้ของที่เลียนแบบภาษาทั่วไปใช้ว่าของก๊อปเกรด A เพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสังคมรอบข้างคำถามจึงเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือพฤติกรรมที่เป็นโรคติดหรูหรือเสพติดวัตถุนิยมหรือไม่ไม่ว่าจะ ติดแบรนด์เนมแท้หรือจะใช้ก๊อปเกรดเอเนี่ยคุณหมอพิชาติจริยาวิราชจิตแพทย์และโครกคกรมสุขภาพจิตก็ได้คุยให้ฟังกับทีมข่าวชาวพกิจของไทยรัฐออนไลน์ว่าการที่ซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรือการเสพติดวัตถุนิยมนี้นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสียหายอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล ความชอบสินค้าเข้าของแบรนด์เนมของที่มีราคาแพงก็ จ, จะมาจากหลายสาเหตุทั้งเรื่องของการติดตามสื่อโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยหรือจะเป็นติดตามกลุ่มดาราศิลปินที่เป็นไอดอลของเขาหรือกระทั่งคนที่มีที่พลบนสื่อโซเชียลเป็นเน็ตไอดอลทั้งหลายบางคนอาจจะเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมเพราะว่าเป็นของคุณภาพดี แต่บางคนที่อาจจะไม่ชอบถึงขนาดที่จะซื้อแต่ที่จําเป็นต้องซื้อก็เพราะว่ากลัวจะตกกระแสหรือภาษาวัยรุ่นว่ากลัวจะตกเทรน์อย่างนั้นหรือกลัวว่าไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นทําให้เกิดความไม่สบายใจไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้เราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองหรือถามตัวเองว่ามันดีหรือเปล่าโดยเฉพาะหญิงถ้าเกิดต้องเป็นหนี้เป็นศิน หรือว่าจะต้องใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการหาเงินเพื่อซื้อสินค้าการซื้อของใช้ของกินอะไรที่มันเกินตัวพราะเกินตัวมันก็จะเกิดปัญหาการเงินฝืดเคืองเป็นหนี้บัตรเครดิตบ้างเป็นหนี้นอกระบบบ้างซึ่งอาจจะเกิดปัญหาความเครียดและท้ายที่สุดเกิดภาวะซึมเศร้าตามมาได้ เพราะในมุมมองของคุณหมอพิชาติจริยวิราชบอกว่าอยากจะแนะนำว่าถ้าเผื่อเป็นเด็กเป็นเยาวชนก็อยากจะให้พ่อแม่นี่แหละบอกเขาว่าจริงๆแล้วคุณค่าของคนเราไม่ได้เกิดจากการที่เราใช้ของราคาแพงแต่เกิดจากความมั่นใจและการที่เราเป็นคนดีมีความสามารถอันนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจมากกว่าการซื้อของอะไรก็อยากจะรณรงค์ให้ใช้ของที่ถูกลิขสิทธ์ เพราะว่าการใช้ของที่ละเมิดลิขสิทธ์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคนที่ผลิตสินค้ามาเขาก็มีต้นทุนทางความคิดซึ่งต้นทุนทางความคิดนี่แหละที่มันเป็นมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นการละเมิดลิขสิทธิจึงเป็นการทำให้การพัฒนาสินค้าหรือพัฒนาสิ่งต่างๆมันช้าลงและมันก็จะไม่ถูกทั้งเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมทั้งหลายทั้งปวงด้วย ขออนุญาตขั้นด้วยเรื่องของการใช้แบรนด์เนมปลอมมีคำถามคือคนที่ซื้อหรือคนที่ใช้ของแบรนด์เนมวงเล็บปลอมท่านจะก๊อปเกรด A เกรด B เกรดอะไรก็ตามแต่ละคำถามคือผิดกฎหมายไหมถ้าเราซื้อแล้วเราใช้คำตอบแบบกว้างๆเลยคือไม่ผิดแต่ก็คงต้องมีแต่ด้วยละ่ะ ในปัจจุบันผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมปลอมนั้นไม่มีความผิดแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าซื้อและใช้ในประเทศเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งวันใดเกิดคึกคักขึ้นมาสั่งช้อปปิ้งออนไลน์หรือไม่ก็ฮิ้วแบรนด์เนมปลอมเข้ามาในประเทศ หรือแบนอรนด์เนมปลอมในประเทศส่งออกไปนอกประเทศแล้วล้วก็มีความผิดอย่างแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นี่คือคำหนึ่งสินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถือเป็นของต้องห้ามมีกฎหมายกาหนดไว้ชัดเจนการละเมิดลิขสิทธิ์กับละเมิด เครื่องหมายการค้านั้นต้องตีความกันสองประเด็นละเมิดลิขสิทธิ์เช่นการเขีย น, ตนแต่งเพลงกันอะไรก็ตามแต่เจ้าของหรือตัวแทนเช่นธนงทนายบริษัทอะไรที่รับจ้างว่าความต้องเป็นผู้ดำเนินการเองส่วนคำว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าอันนี้เจ้าของตัวแทนก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการจับกลุ่มได้เลยมีหมายไปแล้วก็จับกลุ่มได้เลยแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านๆมาก็ตำรวจจะประสานกับเจ้าของหรือตัวแทนในการออกไปจับส่วนการให้ดำเนินการปิดเว็บไซต์ปิดเพจ Facebook กลุมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้แต่ก็มีการประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องทางด้านไอีเอยอะไรเออย นี่เป็นเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงสินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าปี 2,562 เมื่อสักเดือนหนึ่งมีการเผาทําลายสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าก๊อปปี้ว่า ง, งั้นเหรอเป็นสินค้าที่ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเขาสรุปเป็นตัวเลขได้อย่างนี้นะครับว่าสรุปปริมาณของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วนี่ใช้ว่าคดีถึงที่สุดแล้วไม่นับคดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับปีสองพในรอบประมาณ8ปดเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงลำดับต้นๆ น, นี่เป็นเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนี่แหละไม่ได้มีอะไรหรอกเสื้อผ้ากางเกงอะไรปริมาณของกลางแสนกว่าชิ้นเครื่องหนังซึ่งก็อาจจะเป็นเข็มขัดอาจจะเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยนะอีกสองหมื่นแปดพันกว่าชิ้นรองเท้า มากกว่าเครื่องหนังอีกเพราะว่าต้องนับกันเป็นคู่เป็นคู่ไปสี0 0 0กว่าชิ้นนาฬิกาก็ใช่ย่อยนาฬิกาที่ไป เ, เรียนแบบสินค้าแบรนด์เนมมานี่ประมาณ 9,000 กว่าชิ้นโทรศัพท์มือถือดูเหมือนจะไม่มากพันกว่าชิ้นเองที่มากคือแผ่น CD, DVD จะแถวไหนก็ตามแต่ตลาดนัด เอยครองถมเอยอะไรเอยก็ประมาณ4ี่0 0ื่นกว่าชิ้นที่น่าประหลาดสำหรับสาหรับตัวผมเองนะว่าประหลาดคือกาวตราช้างขออนุญาตพูดตามตามข่าวนะครับว่าเขาระบุว่ากาวตราช้างหรือจะเป็นมันเป็นกาวร้อนชนิดหนึ่งหรือเปล่าแต่ตราช้างนี่ได้รับความนิยมสูงมากอันนี้ละเมิดไป5 0 0แสนกว่าหลอด ก็เยอะพอสมควรข้อที่เราเจอเยอะมากคือเรื่องของการปลอมในสิ่งที่ไม่พึงปลอมเลยคือบุหรี่เก้าล้านมวนที่ปลอมเราไม่รู้ว่าคำว่าปลอมหมายความว่าก็าก็ได้ยินเหมือนกันจากประเทศเพื่อนบ้านเวลาไปซื้อไปอะไรมาเนี่ยนะก็ราคาจะถูกบางร้านที่ขายของชำร้านที่ขายของอะไรพวกนี้เนี่ยนะก็จะ แอบปนปนเข้าไปเนื่องจากบุหรี่แท้เนี่ยคุณต้องเสียภาษี ส, สรรพสามิตเพราะฉะนั้นพอเป็นบุหรี่ปลอมสมมติบุหรี่ซองละ100บาทเอาตัวเลขกลมบุหรี่ปลอมอาจจะต้นทุนมา 50-60 บแต่คุณขายในราคา100อันนี้เป็นต้นแล้วก็มีอื่ น, อ, นอื่นอีกรวมอีก8 0 0แสนกว่าชิ้น ที่บอกอื่นๆจะเป็นเรื่องของการไปละเมิดแม้กระทั่งฟอนต์อักษรทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นรวมเบ็ดเสร็จนี่ถ้านับเป็นชิ้นนะครับ10ล้านชิ้นมูลค่าความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ประมาณ550บล้านบาทผมพูดเกินนำมาตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมสินค้าก๊อ เอ่ยอะไรเอ่ยมันจะโยงไปถึงเรื่องอื่นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องภาวะโรคซึมเศร้ามันไปโยงกันได้อย่างไรคงต้องพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันว่าสินค้าแบรนด์เนมสินค้าก๊อปปี้เกรด A ออะไรแล้วไปเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าได้อย่างไรสักครู่เดียวครับ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 บอกได้ไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไรจึงหายหน้าไปไกลไม่มีแม้คำอำลา มือแล้วเหมือนใจจะขาดหายไปเมื่อฉันไม่มีเธอไปจะหายใจไปทำไมว้ารักเธออยากมีชีวิตเพื่อเธอรู้ไหมว่าไม่มีใครใคร ไม่เจ่าเธอโลอกทั้งโลกมันดูว่างเปล่าถ้าหากวันนี้ไม่มีเธออยากให้รู้ว่าอยู่ก็เพื่อรอ ได้เจอกัน เธอโ อ, อรักเธออยากมีชีวิตเพื่อเธอรู้ไหมว่าไม่มีใครใครที่ใจจะรักอีกแล้ ว, วโลกทั้งโลกมันดูว่างเปลา่าแต่ฉันขาเธอ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University เมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นที่ติดรู้ติดแบรนด์เนมอะไรก็ไม่อาจจะสรุปได้หรอกว่าเฉพาะวัยรุ่นแต่ว่าเหตุที่เราไป ให้ความสนใจกับวัยรุ่นเป็นพิเศษก็เพราะว่าวัยรุ่นบางกลุ่มนั้นยังไม่อยู่ในวัยที่ทำงานยังไม่ได้อยู่ในวัยที่สามารถจะหาเงินได้ด้วยตัวเองคนที่เขาติดของแบรนด์เนมหรูหราแล้วเขามีกระตังเขามีงาน ม, ม, ม, มีการทำาก็เรื่องหนึ่งแหละ <c oughs> มีข้อแนะนำจากหมอวินเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอ พูดให้ฟังอย่างนี้ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ลูกติดหรูไม่ให้ลูกใช้ของแบรนด์เนมเรื่อยไปกระทั่งไม่ให้ลูกใช้ของกอ๊อฟก็ต้องถามกันก่อนว่าทำไมถึงได้ใช้ของแบรนด์เนมบางคนอาจจะมองว่าสุขคุณภาพดีทำให้ดูดีหรืออะไรหรือบางคนอาจจะบอกก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเขาคือรวยจริงๆ ขนาดที่บางคนบอกว่าแบรนด์เนมก็ต้องเข้าใจนะว่ามันแพงเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยเก็บเล็กผสมน้อยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมดีๆไว้ใช้เพื่อจะได้แสดงถึงความภาคภูมิใจในน้ำพักน้ำแรงอันนี้ก็เห็นด้วยนะถ้าเผือว่ามีมานะสำหรับอย่างนั้นเนี่ยส่วนใครจะไม่เห็นด้วยหรืออะไรเออเขาเป็นคนติดดินนะไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง ข้อแนะนำว่าที่จะไม่ให้ลูกไปติดกับดักในเรื่องของความหรูหราฟุ่มเฟือยใช้ของแบรนด์เนมใช้ของก๊อปเนี่ยนะคุณหมอวินจากเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอเนี่ยแนะนำอย่างเดียวครอบจั ก, กรวาลเลยว่าให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอเพียงและมีข้อย่อยๆ 1. ประการแรกเลยคือต้องสอนให้ซื้อของไม่พร่ำเพรื่อ แปลว่าต้องวางแผนไว้ก่อนอะไรซ่อมได้ก็ซ่อมอะไรไม่จําเป็นถ้าลูกอยากจะซื้อก็กรุณาเก็บเงินซื้อเองแล้วกันไอ้ของเล่นบ้าบอลคอแตกหรืออะไรนั่นก็แล้วแต่ประการต่อมาคือต้องสอนลูกให้ทําตัวติดดินให้กินง่ายอยู่ง่ายเอออย่าไปดูถูกข้าวแกงข้างทางซึ่งมันก็กิกนได้ไม่ต้องกินที่ห้างตลอดหรอกร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงนั้วก็กินไปเถอะ ไม่ต้องไปใช้ของหรูหราหรืออะไรอย่าฟุ้งเฟ้อเห่เหิมประมาณอย่างนั้นประการต่อมาคือให้พูดกับลูกถึงเรื่องการเงินของครอบครัวตามความเป็นจริงเลยไม่ใช่ว่าตัวมีปัญหาการเงินแต่ลูกไม่เคยรับรู้เลยว่ามีปัญหาการเงินหมายถึงพ่อแม่มีปัญหาการเงินลูกก็ยังทำตัวสวยๆรวยๆเลี้ยงเพื่อนมีมือถือใหม่เปลี่ยนตลอดพ่อแม่ก็เป็นหนี้ไป และก็สุดท้ายพ่อแม่เองนั่นแหละ bunker. ที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตถ้าพูดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ก็ก๊อมันใช้ของก๊อบตั้งแต่หัวจะรถเท้าลูกเห็นลูกก็ใช้อะหรือไม่ก็รับต่อจากพ่อจากแม่เราควรต้องดำเนินชีวิตให้มันเรียบง่ายเขาจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนเป็นพ่อแม่ว่า อ๋อมีปัญหาการเงินนะเราก็ต้องทำตัวอย่างนี้อย่างนี้การใช้ของถูกก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจะใช้ไม่ได้หรือมันจะใช้ไม่ดีเป็นีย่เพียงคงต้องเลือกหน่อยที่พูดมาเนี่ยถ้าเด็กวัยรุ่นเขาก้าไม่ผลการความคิดในเรื่องนี้ความคิดที่จะ เอาชนะคาคารความคิดที่อยากจะเสมอด้วยเพื่อนที่รู้หราหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะนํามาซึ่งโรคโรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคฮิตเหลือเกินคือโรคซึมเศร้าลักษณะของโรคซึมเศร้านั้นเนี่ยเออมันมากกว่าอารมณ์นะครับภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์อารมณ์เศร้าอาจจะแป๊บๆ แ, แล้วก็หายแต่โรคพอใช้คําว่าโรคมันเป็นโรคทางจิตเวช เป็นโรคที่อาจจะพัฒนาไปซึมเศร้าต่อไปกับพัฒนาเป็นใบโพล่าหรือเป็นอะไรสาเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากสปัจจัยในทางการแพทย์บอกว่าหนึ่งโรคซึมเศร้านั้นเกิดจากความเครียดเออทั้งนี้คนที่ไม่มีญาติเคยป่วยก็อาจจะเป็นโรคนี้ได้นะแต่มักพบว่าผู้ป่วยโรคนี้มีความผิดปกติ ของระดับสารเคมีที่เซลล์สมองสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของอารมณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเครียดแล้วก็จะเป็นเรื่องของที่มันก็ช่วยไม่ได้ที่สารเคมีมันทะลึ่งผลิตออกมาอย่างนั้นปัจจัยที่สองคือสภาพการเดียงดูซึ่งก่อให้เกิดผลทางจิตใจเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันคนที่ ขาดความภาคภูมิใจในตนเองมองโลกในแง่ลบอยู่เป็นประจำเครียดง่ายเมื่อเจอกับมรสุมของชีวิตอันนี้ล่ะผู้คนเหล่านี้ล่ะมีโอกาสจะป่วยง่ายและประการสุดท้ายปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้คือการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายเช่นพบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ สูญเสียพ่อสูญเสียแม่คนรักคนใกล้ชิดสูญเสียหน้าที่การงานใหญ่โตหรืออะไรเงี้ยนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยเรื้อรังการได้สัมผัสกับคนใกล้ชิดที่มันไม่ราบเรื่อนมันมองหน้ากันแล้วมันเหม็นขี้หน้ากันหรือต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่เราไม่ปรารถนาเช่นถูกลดความสำคัญของการทางานการปรับ หน้าที่การงานแล้วรุ่นรุ่นน้องรุ่นลูกมันแซงหน้าไปเราก็ดันอยู่กับที่กันอยู่กับที่ก็ จ, จะเสมอด้วยการถอยหลังอาจจะคิดสรระไปล่าวนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลว่าท่านเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพราะว่าถ้าเผื่อมีเวลาก็ลองคลิกเข้าไปแบบทดสอบ โรคซึมเศร้าขีง่ายง่ายอนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ใน Google ก็จะให้ท่านได้สํารวจตัวเองว่าท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าไม่ใช่ก็อย่าไปคิดว่ามันใช่คนบางคนนี่ก็แปลกไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็อย่าจะเป็นคุยกับใครใครพูดเรื่องอะไรฉันเป็นทุกโรคเลยคุยรบเบาหวานเอ้าฉันก็ใจความดันเอ้ยอะไรเอ้ยหัวใจักรฉันเป็นหมดอย่าไปคิดว่ามันเป็นเหมือนอย่างอาการโรคซึมเศร้าเนี่ย เช่นเท่านั้นนะว่าเศร้าหมองหมุนหมองหัวใจหงุดหงิดกังวลใจไม่สบายใจขาดทุกเรื่องออกับทุกเรื่องขนาดที่เคยสนใจสิ่งแวดล้อมก็กลายเป็นว่าไม่สนใจแล้วสิ่งแวดล้อมอะไรที่เคยสนุกสนานเช่นเป็นคนเคยคุยตลกโปกห้าก็ ไม่เอาละก็เป็นคนเงียบๆเป็นคนเคยดูหนังฟังเพลงบ่อยๆก็ไม่สนใจอันนี้ก็ต้องสังเกตแล้วว่าอาการโรคซึมเศร้าถามหาแล้วหรือบางทีเป็นเรื่องของน้ำหนักอย่าคิดว่าน้ำหนักลดลงเท่านั้นนะครับน้ำหนักที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นผิดปกติในบางช่วงนั้นเนี่ยต้องไปดูอีกเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากความอยากอาหารที่มันเปลี่ยนแปลงไป เคยอยากกินก็กลายเป็นไม่อยากกินขึ้นมาก็เป็นไปได้อาการการนอนมาถึงการนอนไม่ได้แปลว่านอนไม่หลับแล้วซึมเศร้านะครับนอนไม่หลับกับนอนมากเกินกว่าปกตินี่ก็ส้อให้เห็นว่าโรคซึมเศร้าแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองไร้ค่าตัวเองไม่มี คุณค่าต่อคนไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเงี้ยนะเรื่อยไปกระทั่งความจําก็แย่ลงอ่อนเพลียไรเรียวแรงไม่มีความกระตือรือร้นและถ้ามันพัฒนาไปจน ถ, ถึงจุดขีดสุดแล้วเราก็โรคซึมเศร้าก็จะคิดถึงแต่เรื่องความตายอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนที่เราได้เห็นดารานักร้องเอออะไรเอยซึ่งเพิ่งจะผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองก็ได้ ฆาตตายเพราะว่าซึมเศร้าเพราะว่าภาวะนี่สินที่ไปค้ำประกันเขาอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดจากความเครียดขึ้นมาการรักษาโรคซึมเศร้านั้นเนี่ยรักษาสองทางทางที่1คือรักษาโดยทางจิตเวชคือพูดคุยกับหมออาจจะใช้พฤติกรรมบําบัดหรืออะไรก็ตามแต่นี้ต้องไปพบหม อ, อ, อทางด้านทางด้านจิตเวช หมอจิตแพทย์ว่า ง, งั้นเเขาจะรักษาโดยวิธีอะไรเนี่ยเขาจะมีวิธีของเขาคือรักษาทางใจซึ่งอาจทำควบคู่กับรักษาด้วยการใช้ยายาก็อาจจะมี เ, เป็นกลุ่มๆไปประมาณ3ามกลุ่มซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ายาเนี่มันเป็นอะไรละเอาเป็นว่าเขารักษาด้วยยา มันเป็นยาที่อืมจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ยารักษาโรคซึมเศร้าโดยตรงหรอกเป็นแต่เพียงยาที่ทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายหรืออะไรอย่างนั้นเท่านั้นการกินยาต้องกินอย่างต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะบอกให้หยุดถ้าเผื่อรู้ตัวดีแล้วยาก็ค่อยๆลดขนาดลงอันนี้เป็นต้นนะครับอย่าไปซื้อยากินเองหรือเห็นคนโน้นคนนี้บอกว่าเนี่ยฉันก็กินยานี้งั้นฉันขอยืมยาเธอกินหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ ไม่ไม่ไม่ถูกต้องอาการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผลข้างเคียงของมันมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมันเกิดขึ้นได้พอเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ตั้งตัวไม่ไม่ดีมันอาจจะทำให้เราพัฒนาไปถึงจุดที่อยากฆ่าตัวตายก็ได้มีคำถามว่าแล้วโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นกับผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่าจากสถิติพบว่า ผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ชายถึงสองเท่าขณะที่ผลวิจัยบอกว่าโรคซึมเศร้าไม่ได้เลือกว่าอยู่ในวัยรุ่นหรือวัยทำงานเท่านั้นหรือวัยผู้ใหญ่เท่านั้นแต่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กก็ได้ เช่นกันไม่อยากไปโรงเรียนการติดพ่อแม่การกังวลกลัวว่าพ่อแม่จะทิ้งกลัวว่าพ่อแม่จะตายหรืออะไรเงี้ยมีปัญหาที่โรงเรียนประมาณอย่างนี้ในเด็กก็เป็นไปได้ในผู้สูงอายุก็อาจเป็นได้เช่นกันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้สูงอายุซึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะ อันนี้เป็นเรื่องที่ฝากไว้ว่าแม้เริ่มต้นด้วยเรื่องแบรนด์เนมแล้วก็มาลงท้ายด้วยเรื่องโรคซึมเศร้าอาจจะเกี่ยวโยงกันก็ได้นะครับในภาวะหนึ่งซึ่งก็โรคซึมเศร้าจะมีจุดตั้งต้นมาจากหลายๆจุดก็เป็นไปได้เสียดายเวลาหมดแล้วคงต้องกลับมาพบกับรายการเพลินภาษานานาสาระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ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 แล้วเราก็จะพบกันอาจเป็นเพียงฝันก็พอใจหลับตาเถอนะถึงตัวเราจะแสนไกลห่างกันเพียงไหนเหมือนใกล้กันชีวิต ขีดเส้นทางไว้ให้เราเจอกันคีดทางที่พกพันให้มีวันห่างไกลหลับตานานๆคิดถึงวันเก่าจะยังมีเราสองคนสักวันเอนะ แล้วเราคงได้พบกันอาจมีวันนั้นที่ได้เจอจากกันวันนี้หัวใจยังอยู่ใกล้เธอติดต่างไปเสมอถึงแสนไกลขอฟ้าอยู่ไม่ไกล เพราะว่าใจเป็นหนึ่งและใจนั้นทรงถึงเพราะว่ายังหวงใายหลับต า, า, า, านัาน ตาเถนะถึงตัวเราจะแสนไกลห่างกันเพียงไหนเหมือนใกล้กันลับตาเถนะเธอส่งใจคิดถึงกันและคงจะไม่นานฝันนั้นจะเป็นจริง